ฝนตกแบบนี้นี่มีอะไรดีบ้างหรือเปล่าเนะมีข้อดีบ้างไหมคิดว่าข้อเดียงหนึ่งก็คือว่าไม่มีรถหาเสียงมาส่งเสียงรบกวน <c oughs> ไม่งั้นนี่ก็ป่านนี่ก็อส่งเสียงกงนวนแล้ววนอีกนะทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีทั้งนั้นแหละนะ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะถึงแม้ว่าฝนตกทางมันจะแชะนะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้ธรรมชาตินะมีความสดใสามากขึ้นนะชาวนาชาวไร่ก็ได้มีน้ำสำหรับการใช้สอยแล้วก็การทำเกษตร วัดเราก็ได้มีน้ำสะสมไว้นะสำหรับการใช้ในวัดแล้วก็ให้ชาวบ้านได้ใช้บางทีเราจะมาเห็นประโยชน์ของหน้าฝนก็ตอนที่เลยหน้าฝนไปแล้วตอนที่อยู่ในหน้าฝนก็ซื้สว่าฝนตกนี่มันเฉแฉะแต่พอเรา ไปถึงหน้าแรงหรือหน้าร้อนก็จะนึกถึงหน้าฝนขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนน้ำมันก็แห้งไปหมดทางนี่ก็รถแล่นรถผ่านนี่ก็เป็นฝุน่นส่งฝุ่นคลุ้งอากาศก็ร้อนถึงตอนนั้นก็จะมานึกว่าโอ้หน้าฝนดีดีนะ ไอทางที่จะเป็นเป็นฝุน่นเรียกว่าเปื้อนนี่ไม่มีหน้าฝนอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนเท่าไหร่ออกจากหน้าฝนหรือผ่านหน้าฝนไปแล้วถึงค่อยเห็นคุณประโยชน์ของฤดูฝนฤดูร้อนก็เหมือนกันนะพอเราอยู่ พอเราเจอฤดูร้อนก็รู้สึกลำคาน ร, ร้อนอบอ้าวนะ แ, แต่ไม่ตระหนักว่าในช่วงฤดูร้อนนี่มันก็ดีนะไม่ค่อยมีมแมลงแต่เราจะไม่สังเกตหรอกจกกนกระทั่งเจอฤดูฝนเข้าไปแล้วโอ้มแมลงเยอะแฮะไปไหนมาไหนก็ลําบากเพราะว่ารถเป็นลุ่มเป็นบ่อไม่เหมือนช่วงหน้าร้อนนะ เดินทางได้คล่องแคล่วสมัยก่อนนี่สุกโตถ้าจะมาจากแก่งเคราะขนาดฝนแบบนี้ก็สองชั่วโมงอาจจะนากนกว่านั้นสามชั่วโมงก็ก็ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่ารถติดลมหรือว่าสะพานขาดนะจะไม่เห็นคุณของหน้าร้อนก็ตอนเจอหน้าฝนนี่แหละพนระะอาจารย์คันชิต วัดหินหนีดท่านเคยเล่าว่าวันหนึ่งพาลูกศิษย์ชาวเยอรมันก็เป็นนักเรียนนะนะวัยรุ่นไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นเอดส์ไปที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็แวะไปเยี่ยมที่โรงเรียนการจนาพิเศษซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมอาจารย์กาชิดแท่งก็เป็นครูสอนศิลธรรมที่นั่น พอไปถึงนี่ก็มีนักเรียนมัธยมมามารุมมาตุ้มเพราะว่าไม่เคยได้เจอฝรั่งเท่าไหร่แถมไวัยเดียวกัยใกล้ ก, ล ก, ล ก, ลกันด้วยนะก็เรียกว่าคุยกันพูดคุยกันจนแทบไม่ได้พักเลยกลับมาถึงวัดก็เลยบอกว่าเนี่ยออกไปชยภูมิถึงค่อยรู้จักวัด แต่ก่อนนี่ไม่รู้จักเลยนะเพิ่งมารู้จักวันนี้เป็นวันแรกอาจารย์้าวชื่อก็ถามว่ารู้จักวัดยังไงก็บอกว่าวัดนี้สงบไอ้ตอนอยู่วัดนี้ไม่ค่อยรู้สึกนะว่าวัดสงบเพราะออกไปนอกวัดนี่ไปเข้าไปในเมืองไปเจอนักเรียนดูมันวุ่นวายเหลือเกินเพิ่งมารู้จักวัดก็วันนี้แหละอาจารย์ค้าชื่อก็เลยบอกว่าเนี่ย คนเราจะรู้จักอะไรเนี่ยก็ต้องออกจากสิ่งนั้นเสียก่อนถึงจะรู้จักเด็กคนนี้ก็เลยพูดว่าใช่ครับนะผมมารู้จักเยอรมันก็ตอนมาเมืองไทยนี่แหละแล้วก็ผมจะรู้จักเมืองไทยจริงๆก็คงต้นกลับไปเยอรมันแล้วนะเราอยู่เมืองไทยนี่เราไม่รู้จักเมืองไทยดีนะ ถ้าเราไปเมืองนอกถึงค่อยจะรู้จักเมืองไทยเช่นจะรู้ว่าโอ้เมืองไทยนี่เรื่องการกินนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเมืองนอกอย่างยุโรปถ้าเลยหกโมงเย็นไปแล้วนี่หาอาหารกินย่างนะเดีย๋ยวไปฮอลแลนด์เมื่อสามสี่เดือนที่แล้วพอถึงหกโมงเย็นนี่เขาปิดร้านกันเยอะแยะไปหมดเลย ร้านหนังสือร้านอาหารแล้วก็ในเมืองนอกนี่อย่างในยุโรปนี่ร้านหนังสือนี่หาง่ายกว่าร้านอาหารแต่บ้านเราเนี่ยร้านหนังสือหายากมากร้านอาหารนี่เยอะไปหมดขนาดเที่ยงคืนก็ยังไม่เลิกนะแก้งครอนี่ลองไปดูเถอะนะเที่ยงคืนก็ยังมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลย แต่ถ้าเป็นเมืองนอกอย่างยุโรปหรือแม้กระทั่งอย่างไทยเปรหรือว่าญี่ปุ่นถ้าไม่ทับโกเกียวนะพอตกกลางคืนนี่เงียบสงัดเงียบคนไทยไปยุโรปนี่หรือแม้กระทั่งไปญี่ปุ่นก็จะรู้สึกว่าเหงานะโดยเพราสาวิติ์ มันอาที่นี้เขาไม่ไม่ให้ขายของเลยนะในประเทศทางยุโรปเนี่ยใครที่ชอบสงบสงบนี่ก็จะจะชอบยุโรปมากแล้วก็หลายเมืองแต่ว่าส่วนใหญ่คนไทยเราจะจะรู้เลยว่าโอ้พอมาถึงเมืองนอกแล้วเนี่ยในยุโรปนี่มันมันสงบนะสงบจนเหงาแล้วก็เลยรู้ต่อไป ว, ว่า เมืองอย่างกรุงเทพแล้วก็เมืองใหญ่ๆนี่เสียงดังมากเวลาไปอยู่อย่างโตเกียวปารีสอัมสเตดามนิวโยผู้นี้ ork, นี่มันสงบนะมันเงียบไม่น่าเชื่อนะมีคนเป็นล้านแต่ว่ามันเงียบกว่ากรุงเทพเยอะใครมากรุงเทพก็จะออก็เสียงดังเหลือเกินแต่เราไม่สังเกตรหรอกจริงๆไม่ได้ไม่ได้มากรุงเทพนะหมู่บ้านหลายแห่งก็ดังส่งเสียง ทักกระจายเสียมแต่ว่าของเมืองนอกนี้ก็จะสงบเงียบเรื่องที่เที่ยวที่กินนี่ก็หายากถ้าเลยเวลาไปแล้วนี่ถ้าไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนี่หาเที่ยวหากินยากมากแต่เมืองไทยนี่เรานะที่กินนี่เรียกว่าโต้ลุ่งลยเลย อันนี้เราไม่รู้จักเมืองไทยหรอกนะจนกว่าเราจะไปเมืองนอกจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเพราะว่าคนเมืองนอกนี่เขาก็พูดถึงความประหยัดนี่เขาประหยัดกว่าเมืองไทยทั้งนั้นที่เขารวยกว่าเราการไปกินข้าวนอกบ้านนี่เขาเขาทำกันน้อยมากต้องเป็นงานต้องเป็นต้องมีเหตุการณ์พิเศษแม้กระทั่งอาหารกลางวันนี่เขาก็ เอาข้าวไปกินกันในที่ทํางานก็เยอะเคยไปเยี่ยมเพื่อนที่ที่ดีทรอยดีทรอยนี่ก็เป็นมณุษย์ศาหตร์กัมรถนต์เมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเพื่อนก็เป็นวิศวกรเป็นคนไทยนะก็เรียกว่าเป็นเงินเดือนก็มันเป็นแสนนะนะแล้วก็เป็นวิศวกรอาวุโสไปเยี่ยมเขาถึงที่ทํางานนะ เขาก็พาไปกินร้านอาหารก็ไม่ใช่ร้านอาหารก็เป็โรงอาหารพาไปฉันที่โรงอาหารของบริษัท GM GM นี่มันเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ใหญ่ท่สุดในอเมริกาก็ไปถึงกับไปไปศูนย์กลางของ GM เลยคือดีทรอยต์แล้วเขาก็บอกว่าปกตินี่เขาเวลากลางวันเนี่ยเ้ากับเพื่อนๆนี่ไม่ไม่มากินอาหารที่โรงอาหารนะ น, นะก็เรียกว่าแคนเตน ปกติเขาก็จะเอาอาหารมาจากบ้านใส่กล่องแล้วก็มากินกันหัวหน้าเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันหัวหน้าเขาก็ใหญ่เหมือนกันพวกนี้ก็มีเงินหลายแสนรถ <c oughs> ขับรถคันใหญ่ใหญ่แต่เวลาอาหารกลางวันนะไม่ออกไปกินตามร้านหรือแม้กระทั่งโรงอาหารแต่ว่าเอาอาหารจากบ้านเตรียมมา กินกันก็มีไมโครเวฟนะแล้วก็กินกันก็คุยกันไปนะก็แปลกใจเพราะว่าในความเข้าใจของเราเนี่ยถ้ายิ่งตำแหน่งสูงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องไปกินถ้าอาหารกลางวังก็ต้องออกไปกินนะตอนไปกินตามร้านตามเหลาแต่เมืองนอกนี่ถึงแม้ว่าตำแหน่งจะสูงเงินเดือนจะเยอะเขาไม่มีค่านิยมแบบนี้ เขาเรื่องการกินเขาก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อย่างเมืองอย่างบ้านเมืองเรารวมทั้งการขับรถขับลาด้วยเคยไปเยี่ยมเพื่อนที่เยอรมันนะเพื่อนเขาก็ไปเรียนปริญญาเอกเมื่อยี่สิปีก่อนแล้วก็เ้าขับรถนะรถที่เขาขับนี่ก็เป็นเป็นเบน แล้วเขาก็บอกเนี่ยคนคนเยอรมันนี่ปกติแล้วเขาไม่ขับในรถเบนเนี่ยมันหรูไปนะเขาจะขับรถเล็กๆแม่รวยแค่ไหนก็ขับรถเล็กๆ เ, เพราะเขาไม่อยากจะอวดรวยไอย้คนที่ขับรถเบนนี่แสดงว่าอวดรวยหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกที่อาหากินในทางที่ไม่ชอบ คือพวกที่แบบพวกมาเฟียอะไรน้องเนี่ยนั่ขับรถเบนซ์กันหรือไม่ก็เป็นแท็กซี่ไปเลยแท็กซี่ก็บเบนซ์แต่คนรวยๆนี่เขาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ขับกันเพราะก็ไม่ต้องการโชว์ไม่ต้องการอวดมั่งอวดมีมีแต่พวกที่อย่างเอเชียนี่แหละนะต้องการอวดมั่งอวดมีก็ขับรถเบนซ์ทั้งที่รถเบนซ์นี่ในเมืองนอกมนก็ไม่ไม่แพงเท่าเมืองไทยแต่ว่าเขาก็ไม่ขับกันหรือว่าถือว่าเป็นของดีไป อันนี้เราก็ไม่รู้นะจนกระทั่งเราไปเมือง น, นอกก็จะรู้ว่าเขามีค่านิยมแตกต่างจากเมืองไทยเยอะก็จะท่านไปเห็นได้ว่า เ, าเมืองไทยนี่เรามีค่านิยมในเรื่องของการกินการเที่ยวการเสพการบริโภคนี้เยอะมา ก, าก ท, าทั้งนั้นที่เพราะนั้นเนี่ยมันก็ก็มีปัญหานะคนไทยก็เลยเป็นนี้เป็นสินกันเยอะแต่ทีนี้ยุโรปอเมริกาก็เริ่มแล้วนะคนรุ่นใหมก่ก็ใช้บริโภคกันมากขึ้น นะอวดมั่งอวดมีกันมากขึ้นแล้วมันก็เลยเป็นหนี้สินมากนะหรือว่าเป็นหนี้เพราะบัตรเครดิตหรือเครดิตการนี่ก็เยอะมากทีเดียวอันนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วก็